ทำกันลง<ม><ม>เพื่อใข่งขันประกอบกับการปฏิบัติแ<ม>บบตรงตรงตรงที่เหมือนผิดตรงที่เหมือนถูกเพื่อจะไดไม่เสียเวลาตัวที่เหมนผิดไม่เสก็ผิดอไปด้วยหรว่าติดตัวเอง ตรงที so że, ่มันถูกไม่ทำ h ็ e ็ไม่เกิดอะไรขึ้นเสียเวลาเปล่าตายขึ้นแต่เสี i เปล่าฤที่นี้การศึกษากับมันดีๆนั่นจะมีคำตอบถนัดไม่ได้ o รือเราไม่เพียง นี่ยังอย่ด้วยกันนั่งอยู่ด้วยกันทำวัดสวดมนต์ด้วยกันเปิวัขนขึ้นหน้าเลาจะอยู่ที่ไหนยังตอบไม่ได้ว่ามันม่เที่ยงคือินนต น, อ น, น, อนี้ยิงไม่สวนตำหนักแวาบอกกันหนื่งนี่แหละ อเสือ ด, ดยายที่มันชีวิติสารไปความเคลื่อนร่วงไปร่วงไปแบบนี้เราทำอะไรอยู่จุดที่มันจิดจะความคิดเป็นท ว, วานของจิตการันติดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจโดยไม่รู้ไม่ไม่เดย จะายก็เลยเป็นก็เลยเปลี่ยนให้เป็นรูจะตัวอันเกิดจากความคิดเนี่ยมันก็ไปไกลก็ให้ถึจุดว่าถึนทุกได้ระหว่างของจิดกับมนุดเนี่ยสำคัญอนอนอกมากก็เป็นรองเรื่องตาเรื่องหูจมูกดื้นเป็นเรื่องรอง แต่เป็นจำเลยก็จำเลยที่สองที่สามไม่นักโทษไม่นักโทษหนักคือกรรมที่เกิดจากความคิดส่วนมากคนไม่ใส่ใจตรงนี้นักจะปล่อยางแล้วเลยหมดไปเลยอาจจะเป็นนิดสายไปเกินแล้ว ให้ความคิดเป็นใหญ่เป็นโตเอาคิดหรือห่อไปแสนว่า ก, กับความคิดแล้วก็ตาเชื่อนตคิดเนี่ยมันเป็นใหญ่จืตเป็นใหญ่จืตเป็น ห, หน้าหน้าสำแก่ได้ทรงที่จิตเป็นกรมนับ การแก้ตรงนี้ก็มาชี้เวนชี้กรรมจักทีีย่ายตายเกิดเราจึงไม่ควระมานิวิธีแกดจะเห็นความคิดแต่แก้ความคิดก็คือวิชากรรมฐานเป็นต้อมบาการเพื่อดูจุดดูเหมนอนด่ดูสูนดวง ตลาดนัดของสัพพจริงตลาดมาทางนี้ทางนั่นก้าวขึ้น ม, มาทางนี้ประตูก็มาทางนี้ยอมปิดตัวเองก็อยู่ตรงนี้เหมือนประตูมีไม่เปิดปิดไม่ตาตัวแล้วก็วนเวียนอยู่นี่ไม่ไม่เห็นโลกหลางควาเป็นจริงก็เป็นคนหลงโลก สีใ่ ใ, ใจเหลือใจขนหลงโลกพอใจไม่พอใจหรือว่าคนหลงโลกจุกทุกข์ด้วยคนหลงโลกอโลกทับถมงั้นช่างากี่คอโบราณกล่าว่าใบมืองบนเหมืนขนสี่ชาติใบมองล่าเหนชาติสีคนด่าจุกเหมือนจุกตัวทุกข์เหมนทุกข์ด้วยจิตตํา จิตม astrology. Astrology. Changer, ันจำอะไรก็บ <ti> nee. <åt old uk> ังคับได้จุบบังคับขี่คอได้ทุกบังคับขี่พอได้ถอนเจ็บถอนเจ็บถอนตายขี่คอได้ก็เรามาเห็นมาชัดตรงนี้เปิดโลกออกจะได้เห็นความเท็จความจริงพระเจ้าบำเพ็ญนังสิตที่ัำเพ็ญอย่างนี้เกิดตรงนี้เกิดทุกข์ทีเจ้าตรงนี้ เป็นปุถิชนก็เป็นตรงนี้เป็นเตกเป็นโลกเป็นสุรากายเป็นฉรนเป็นตรงนี้เป็นสวรรค์นอกปณิภานเป็นตรงนี้เหมือนประตูออกตรงนี้ปิดตรงนี้ได้ปังปงปิดก็ปิดปรังปงเปิดก็เปิดได้เป็นส่วนตัวของเราเองไม่ใช่หนิ้ใครบ้างครับ เออลอมาใช้ชีิตสวนตัวเรื่องนี้ให้เฉลิน ม, มาใช้ป่าเถื่อนหรือไิ่เลยก็ปชีพป่าเถื่อนสอ น, ส อ, นอะไรก็ได้ทั้งสื่สอ e วามคิดคิดได้ทุกเรื่องเรีย๋ยวก็เขาอยูวไปไหนก็ไปเพื่อความคิดเรนานอนหาเรื่งองมาคิดจนนอนไม่หลับ เวลากินข้าวพะหารเรื่องมาชิดันอาหารไม่ย่อยอาหารดีๆไม่ย่อยเกิดผีเป็นโลกขาดอาหารนอกจะคิดเรื่องนอยเริ่มเสียอาลมเพ่าไปแนขนมาเพราะมาเพราะมายืดไม่มีน้ำย่อยคิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน้อยต่อคนเป็นโูกประสาทเช่นลงหิดแตก เด็กแค่ได้ป่วยนั้นบางครั้งเราความคิดหนักหนักสับทางร่างกายเลือดก็มาไหลเลี่ยงอยู่ที่จิตเหมือนับมานหนักเลือดก็มาเลี่ยงตรง น, นั้นปวอื่นขาดเลือดกลายเป็นโลกบนเลงได้เราใ ช, ชีวิดเราไม่เป็น ธรรมะมันทำให้เราใช้ชีวิตเป็นถูกต้องจึงไมนงื่อนไบาปามันมีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยนุย์เป็นจัตประเสิิฐสามารถปกตนสนตนได้ในตัวจับมันก็ยังสุดได้นี่มันมืดมืดต่อคปาจะขาวได้ เราฝึกอมันดีได้ํำดำตทําไม่ขาวได้ํำดำาคือบาปคำที่เกิดํำขาวคือบุญได้มันปฏิบัติได้มันให้ผลได้ไม่จังกัดกันไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยเกี่ยจิตอ่ะดูจิตเนี่ยม่จินพื้นที่ อยู่ที่ไหนก็อยู่กับเรานี่เองไม่ใช่อยู่วัดอยู่ปา่าอยู่บ้านอยู่รุ่งที่ดอนดูใดมีสติดูหยุดใจที่ัะนันย่อมไปที่ต่าลื่นลมลอยู่เสมอมันู้็นพติเจ้าตอดไวต่อเมย์วานยติวานั้นเด ทำเลยว่าที่ว่าทำเลยจะตะองทำตังบุมหล่อมไนเราอย่างกังใช่ไหมย่อม <c oughs> <c oughs> อาถาอ้างเฉยหน่อผู้มีสติอยู่บ้านก็ดีอยู่ป่าก็ดีอยู่รุ่งกัวดีอยู่ดอนก็ดีที่นั่งย่อมเป็นที่น่าดุญลมของพระอริยะบุคคลก็เราอยู่นี่ไม่เป็นไม่มีสติที่นั่งก็พอเชื่น เป็นโลกเป็นพงจะโตใหญ่จะตัวมากหนะที่เดมีป่าอย่าประมาทเชือใอุบาทไม่อยู่คู่สถานพอาจับจ้องง้องเหยื่อทุกวันวันไปเดินผ่านไม่ระวังมีหวังตายหาที่นี่เปียเหนืออวิชาร์านั้นจะป่าเปือกเสียมันจะสับไล่เด็บปวด ไอ้ทางช่วยมันได้เกิดไหลขึ้นมาที่เดียวยอมเลยลงองไห้หัวล้ตำรัดกันเป็นความจังได้ตำตามมันเสียผู้เสียคนตำตามตมรัดก็เสียคนตำตามตงโกรธเสียคนเส้นสองเท่าน้อยท่าแน่ตำตามตงโกรธ โกรธแม่ข้าแม่ตายแม่เอาข้าวกอง น, น้อยมาส่งนุบะจะไม่ยิยนปาริศาเหนื่อยเยลาเมื่อแต่ข้อนโผลอยู่ก็จิบข้าวไม่ลงโผล่ได้ง่ยอย่างหนักแม่ก็หวอกจินยืนอยู่ ย, ยืนอยู่ไม่ฟังไม่เชื่อโดยตัดสินใจข่าแม่ตายบอกข้าแม่ตายนุบะจิเท่าวมันก็ไม่หมดจริงๆ คิดได้เฉียใจจะมีธาตของขนอ้อยอยู่เยอะสุดทนได้เห็นไหมจังทุกนาฬกนี่ตามตามสองโขดตามตามสงลังเป็นนางโมลาสามีคือจันทตะโลูกเป็นคนดีมีคนนั้นความสูงแตโจน ต้นหวานเจะแต่ก่อนเป็นนักศึกษาด้วยกันตกโจรหัวเนี้ยเรียนชู้จันทรคุลบไม่ได้ก็ลุกศิษรุ่นเนาเขาเดียวก็ั้งอีกฉาอาจารย์กับพลัสกระโชคลูกศิษเป็นคนดีเรียนจริง ไม่มีรางวัลอะไรให้เลยนอกจากสาวคือโมลาให้พวกเื้อกิดตั้งหลายก็อิจฉาอย่างหนักพอจบการศึกษากลับบ้านกลัโมลากลับบ้านเล้ากิจตั้งหลายกลับบ้านกับรวมหัวกันมาบนมาค่ากลางทางกลางบ่าใช่ไหม ไัจากัปนี่ไหม น, <c oughs> น, น, นี่ความราอดเฮยเกิดตอนตะโกนรบกอดสู้กับโจรชาดีกว่าชนะโจรหลายคนเลือดอหัวหน้าโจรตอนตะโกนรบชนะอีกหัวหน้าโจ ร, รโล่มหลวงพ่อย ขอดาบต่อเนี่ยคือโมลาจะบังนโจชนแล้วมันตายเยอะมันไล่ฟันเนี่ยเมฆกับฟันเราอยู่เราไม่เอาี่ตเอาผ้าเลยแต่ไหนขอเมฆกับโมลาโมลาเป็นจนสวยกว่กันทุกโลกใช่ไหมสวยสูงเขาตอนทุกโลกไม่สวยเหมือนโจนยื่นดาบให้ชน จนล่ะควันจะก็รบตาเลยโมลาเสนอตัว่าเป็นเมียอจุนหรืว่าจะได้สามนีสวยเจอมันก็เงาะแช่โมลามึงจะหญิงาติชั่วสามเหนียงมัจะข่าตายมึงต้องตายในป่าในตรงนี้พวกหัวหน้าจนจะหนีไป บ่อยโมราส์ต่างๆนึกถึงมราเป็นบ้าไปเลยลองงมลงให้เอาสามีคืเข้าก็ได้แล้วตายไปแล้วนอนเต้านอนให้ต้าสามอยู่นั่นนะแต่ที่เหลตายจะเป็นชนีลองหงาหัวหาเจออก้กอยู่อ้เหี้ยด้วยยินที่หนีรอไห ปวดตัวปวด n วด่ปวอยู่คู่หลงในเชนนี้นะน่าปวดด้ยน่าหนาขอความรักตัดถึงใจตามความรักเยเคนเไหมตัดถึงใจตามความรักตัดถึงใจตามเกลียดชังกนได้ แม่แต่พ่อแม่ก็โกรธได้ดื้ออ้อนกันแล้วโกรธันทะเลาะกันได้ฆ่ากันได้ไดจึงไม่ควรประมาทตรงแม่ตรงจิตเนีย่ยความคิดเนี่ยระวังให้ดีเป็บเกี่ยวเห็นโจรเห็นสามี ต, ามต่างกันแป๊เดียเกิดเปลี่ยนจิตใจแล้วโจรมันดี <c oughs> แน่เลในะในพุทธประวัติในพระสูตรต้องมีในเจาสาองประจักคนหนึ่งสวยงามต้ให้อยู่บนประจากชั้นสูงราจะระล้ำจวนลอยเหอลกเบือง เอวันนี้ก็มองหขนโจนสวยนั่งเขาแหนมอ้อมฟางขจักข้าด้ยเอาห้ามไปช่วยตะเลเงแจนทุกประหารชีวิตหญิงสาววันนี้ก็ได้เห็นว่าสปิดลับเกิดพอวัยก็ขอไปถ่ยไปถอนเราจำไม่ได้เลยที่สุดเราได้คนนอกเป็นสาวมี ในจนมเป็นสามีมาควบปรหลัมาเป็นสามีสามีก็ยังจะยงตัวเป็นโจรอยู่ไม่จอสวยไม่เจออะไรนางะไรนางอะไรจาได้ไหนพระสูตรั้นะเรญิงชื่อเสียงนะไม้แต่บ้านนะที่น จุนก <laughs> ็พอไปเที่ยวหน้าผาสามหดมึงไปชมหน้าผาไปชมท่องเที่ยวไงเวลาก็เด้งคนนี้ก็ใส่เครื่องปรับตกตังสวยงามนะจนก็ยังจนจนอยู่เสมออยากบ้าชุดจนนเ่าเธอคนนี้ก็ มีปัญญาะจะข่าสาโจนามีจะข่าก็ก็กราบสามีเอาความดีคุณธรรมเราเป็นูกศิษพูดเจ้านะเรารบบผลปานต้องทำตัวยังไงก็ย <c oughs> ังรักสามีลูกขาลูกแขนลูกใบหน้า อย่งรักแสดงในความรักเสียดายถ้าข้าแต่ไม่อยู่ได้ชมขอชมขอชมความงามความสวยของสามีไม่หลังเกียรไม่แต่ข้าก็ยอมตายไม่เสีได้ยชีวิตแต่สามีคนนี้ท่าตายก็เอาท่าเลยแต่ว่ากว่จะตายขอพ้นลำสักหน่อยให้ดูให้สามีดูสักหน่อย คนนี้ก็ซ่อนลำสวยเจ้มีที่เป็นโจนยทย์ทั้มไปยืนหันหลังให้หนาปะนั่งชมมิเตียมจะฆ้าพอไดดูไปดูมาประมาณมรัก้ลอลำไปกับขัด อ, อกกลุ่มน้าหว่าตายันเลยได้ไหมไปเจอนี้ก็เห็นว่านุย์เป็นอย่างนี้ เหลือหน่อยโลกหนีไปบวกเป็นพิจูดีเป็นพรหานเลยเนี่ยตอนนั่นเนี่ยอันความคิดเนี่ยมันยิ่งใหญ่ก็ให้เสียผู้เสียคนม า, มากๆมีที่ปฏิบัติธรรมตรงโคดีมีจิดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจเป็นชิดเห็นไหมนะเลือกเงื่อนง้านจังหวะเนี่ยเด็กเล่นันนู ถึงชนบุรีกลับ <laughs> มาอยู่กรรมคิดไปกรรมเล่นอยู่เนี่ยแต่มันไม่คิดตัรู้ตึวตัวที่กายเรื่อประตูจงเนี่ยอยู่ตรงประตูวนดีนายทุกบานบานก็ดูกาดูใจอาการขึ้นไหวก็งนน่ายอยู่เล้วรู้ตัวแต่มันเพื่อ ช่อมหอมเร็วเห็นความชุดคองมคิดถ้า ม, มันมีสติเป็นมหาสติปัฐานเฉลี่ไม่ทันตติธรรมดาไม่ทันนี่จะไปตามควาคิดโยนคน้ร่ายก็มีสติไปทำชั่วเป็นลักประมงมอยสำเร็จอ น, นั่นสติธรรมดาสติดิเรานสติปัฐานมันโต ต, ม ต, มตบมันตอมนตบมันตอบมันตบลักท่วม มันทักล่วงมันเห็นอยู่ที่นี่เป็นทุนอย่แล้วตั้งไว้นี่จมังชิดไปโน่นกับรู้จิตตัวค่อยเห็นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้ น, นบ๋วยจิตก็เห็นสองชิดหนึ่งข้างรู้หนึ่งข้างความคิดที่ไม่ตั้งสใจคิดไม่ใช่ความคิดแบบตั้งใจและไม่ควรคิดแต่วเวลาถึงกรรมฐานละไว้ก่อน นี่เหตุจำเป็นเลยที่ต้องคิดไม่ต้องใช่เดี๋ยวเอามาใช่ความคิดหาคำตอบจาอความคิดจยุดไม่ทำเอาการกระทําเนี่ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเดียวนี่มัทำได้ทุกคนเสียดายตรงนี้มากพอความคิดจะได้รู้อ่ากันรู้ทําทุก ท, กทีเวลามวามคิดมาความคิดที่กลายเป็นความรู้สึกตัวไปเลย ง่ายละบ่ง่ายละบ่เนี่บควาเพ็ดดังจิตละบ่นี่บควาเพิดดังจิตแล้วบ่ศู น, น, น, น, นย์รวงมาอยู่ที่นี่มนหมดเลยน่าจะมีอลไรในโลกถึ ง, งมากมายมาอยู่ตรงนี้เลยเกิดจากความคิดรู้จุดตัวรู้ตัวเมื่อมันอยู่ตรงนี้แล้วก็รวงกันมารวมกันมาศูนย์รวงเป็นเรือพ่วงเป็นประตูเป็นวงจร ของสบายจรเหมือนทางสี่แกลงห้าแก้งอันทั้งผ่านตรงนี้ควมบาปรกรรมผ่านตรงนี้บุญก็ผ่านตรงนี้ได้จิใตใจได้บทเรียนประสบการณ์เท่าประสบการณ์มากขึ้นํานานมากขึ้นไวมากขึ้นรู้เท่ารู้จังมากขึ้นแต่สอนเจิตใจตรงนี้ได้จิตใจเสียงไปกันไม่เห็นได้ต่อหเป็นควารู้สึกตัวมันก็หดเลยวัน ส อ, อนอื่นนภาวันอื่นโหดมาเลยเจืดเป็นเลยแบบอ่างรถสอมพอใจก็จิดเป็นเลยคําว่าสอนความพอใจไม่พอใจในโลกอมตะเจิดตรงเนี้ยเวทนาก็เจิดตรงเนี้ยรวมที่ก็เจิดตรงนี้ยธรรมก็จิดตรงนี้ยแต่ก่อนไม่มีรสชาตินะ ม, มีรสชาติเวทนาก็มีรสชาติ ฉุกเวทนาก็หดลอทุกเวทาวก็ร่องง่ายเพราะมีรสชาติฟอ่เห็นอย่างนี้มันจืดอันนี้ก็จืดอันฟองเห็นตัวนั้นหลักมันตัวนั้นตัวนี้ก็ชอบจืดแต่วลวกลอยตัวเหมือนลูกไม้บางลูกไม่ต้องทำงานมันหล่นบางเองฟองอย่างนี้มันกะทุกกระม้วดย่างนี้ขึ้นมา มีวิชาสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับอัจะริดับนามบูคดับเวชนาสังขารวิญญาณดับอะไรผู้ใดเห็นกับมวิสัเห็นปัจจุบันวัมามันไม่มันไม่ต้องรู้ความเมื่อหมดทุกอย่างเหมือนกร synagogue. รมฐานก็สอนกันทั่วไปถ้ามีหลักข้อจริตมองอจุพะกรรมฐาน มีกรรมานเฉยสอนคืยกันเพื่อนรุ่นเดียวเท่าเดียวกันว่าศึกกรรมฐานแบบไหนก็ไม่ลูกเพราะว่าอยากได้สดสดสดตายสดสดหญิงสาวสวยสวยตาสดสดจะขอใครหาได้ที่ไหนจะมาฝึกเป็นวิชากรรมฐานเป็นอาุภักกรรมฐาน เอเธอมาน อ, อนนั่งดูดึงวันสองวันสามวัน ส, นสี่วันจนจบนู่นอืดขึ้นกองน้อมเหลืองไหลอิเ่เหม็นจนเหลือแตหนังเหนือตะกระดดนู่นก็จะกจะ j o จอยากเขียนมันติรตต้นจนเงินบ้ากรรมถามอะไรแบบนั้นคนมวลาเขาิตฝึกปฏิบัติจุพระกรรมฐานพระมีถุนทศจตฝึก เมตตากรุณา ว, ว่าหลวงปอยจะเป็เช่นตาสัตทั้งหลายว่าหลวงปอยว่าเราไม่ได้โกหกอยู่พวกมีโมหะจิตจะเรินจะปฏิปธรรมนั่นก็ใแบแจ๋จะทำระยะว่าจะทำจุดนี้จุดเดียวเนี่ยมันจะเป็นมาเองแล้ว่ากรรมฐาน ทุกเจ้ามาทั้งหมดเลยเลยพระสิทธิ์จะเอาไปเปิดปฏิบัติไม่มีครูอาจารย์เลยไม่มีใครมาให้สิ่งใดสอนเอาตัวนี้เลยเอากายตุลสำลาเอาใจตำลา a อาสตุนะศึกษาเข้าไปนี่พวกเราก็อยู่ด้วยกันเพื่อการนี้หลงตาอเองก็มีชีวิตอยู่เพื่อการนี้ก็ไม่ได้บอกแต่นี่มันไม่ถ้าเลย ได้บอกกันจ้ะหรือว่าไม่ขาดตับกข้องม่าตรงที่จีบเรียบอกกันมันก็มีประโยชน์อะไรตัวก่อนหรือมันกรรนันเรื่องนี้จำเป็นได้การเรอยานนั้ไม่จีบอกอย่างนี้จีบ อ, บอกตรงนี้มันจิบตรงที่มันถูกแล้วมิดแท้มิดเทียมเดินดีก็าตอมชั่วค่อยจอมมาเรื่อยๆตอนนี้ดีให้ ไม่สร้างไปช่วให้ละเหมือนเกิดไม่เห็นอยู่เนี่ยติดตัวจะไงช้องบัดนี่ะตีช็องผัดออกได้รองหลงเปียไงลองลูกจะตัวเป็นไงมันอยู่ในคราวเดียวกันนั้นเกอจากความที่เกิดมาเกิดหลยเพื่อน รูกสุกตัวกเจรางลองคิดดูท be ี aki, <t grinding> ่เห็นตัวสังหารมันคิดทาคิดดีกับการเ็ความรูปปยสังปาแต่ตัดสุนใจเลือกได้อย่างเงี้ยอีกแค่น้อยก็ไม่มีลาคิดเราเลยจึงไม่คนตัมาอ๋อบอกแต่เมธเนาะก่อนจะมีข้อ ชีวิตเรานี่ถ้าเราใช่ไม่ถูกต้องก็งไม่เข้าจะมีข้อจะจะเป็นโทษเป็นภัยตัวเองและคนอื่นเราก็จะพึ่งกันไม่ได้เราก็พึ่งตัวเราไม่ได้ันดูเกิดมาทำไมถ้าเราบอกกันอย่างนี้จะต้นอนเดียวก่อนพึ่งต่อจะกันได้ เราจะมีหลักยอดต่อการต่อไปอยากให้ช่วงของความถูกต้องขาดจะมั่นลงตอนนั้เราไมีคิดอยู่วันเดิมเกิดเรือ่องหนาก็มีใครบอกใครพูดตรงนี้มันก็หมดได้เสื่อมได้ เสียงขอเป็นอันหนึ่งขอเป็นตากนนหากนึ่งเป็นเสียงหนึ่งที่พูดอย่างนี้แน่มีอะไรลู่อะไรบาไม่ถึนหน่อยก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วต้องประโยช <c oughs> น์ไมใช่เป็นวลังแบบแห่งคำนะลึกๆาติได้นะผมหัวแน่นก่อน ไม่ต no an, ้องอะไรมากง่ายไม่ต้องเอองมาให้เป็นตำตัไม่ต้องซื้อรถหรูๆมาให้ซื้อเครื่องดินอรต้องการย่านั้นขอสิ่งเข้าหวนตัวจำก็พอละนะไม่ต้องไปอุปถัมภ์อะไรแต่ว่า ่า เ, เป็นเพื่อนกันกำลังใจต่อกันนะเห็นเพื่อนเดินจงกรมเดินเพื่อ น, นพูดกั น, อ, น อ, อะไรธรรมะฟังกันแล้วก็ดีใจไม่มีแต่ตดอดร้อนกันเหยียดยันกันแล้วก็มีผลอันรายเกิดขึ้นะแล้วเรามีกำลังใจบ้างทิด้ย่วยก็มีความสมานสามีกรัร เร่วมกันทำกิจกรรมทำาัตาจดนนกิจการงานจดรวงอะไต่างๆสงสอญยอดรวงให้ได้จักชีวิตแต่ละวันแต่ละหรือว่าเลือกยามเวลานนี้หนังตาไปวัชชาได้บอกแล้ว ตาบอดเทวะคุยามไม่จะพาอุตมนังจิตเกบปงด่วนใหม่ใหม้งพูดจากนี้ว่าทีวาโสอาถวจิติโปตัดอนตจิตวาติอัสงงังว่าจตั้งั้งแตใจมันจะขาดช่ร่าบดวคามจาอุตกรมนัจิตปจักูดจักาจักเวลา นี đi, đi, đi, đi, này, là là ่เรีลมวัดทางไหนวนตกวลาไรหวานจำบังถิ่นบรรพายังไงก็จัดเวลาเิด้ชวิอยากชัิตถึงสวนตคนเดียวเจ้าเด็นบ้างเชิญโหเชิญนิดหรือต้องหรกรองเป็นบอดสวนทาคนดีตามเวลา เห็นเแล้วว่าดีก็เชือกันบ้างดูลกันบ้างหูกันตาเป็นปรันเสียงแขงกันบ้างนี่เรียกว่าต่างคนต่ดูแลกันด้วยกันรักษาไมิูมาักษาม่รับสมบัติของไม่ทู่บมาจรัที่ก็บมาดูให้กันด้วยเปนเจ้าของกันด้วยอ่ารักกันจาจับตอกัน